แต่ตอนนี้เป็นทุก ข, เ ว, กขเวทนาทางใจเราก็เรียกว่าไม่สบายใจและถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาตัวสังขารก็จะทำงาน ท, ทันที ล, ลองสังเกตดูวก็จะมีจังหวะแบบนี้แหละคือภาษเวทนาสังขารและตัวสังขารนี้ก็จะปรุงเป็นความอยากความไม่อยากยาเช่นเสียงดังจากรถแบตโคลอยู่ใกล้ๆเราเกิดทุกขเวทนาขึ้น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 หรือได้ยินสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้าไปทางนี้ไปตันหุปทานเนี่ยอารมณ์ก็จะครอบงาเราตันหาก็จะครอบงำเราได้ยินได้ฟังหรือได้สัมผัสอะไรที่ชอบมันก็อยากจะได้อย่างเดียวอยากจะครอบครองอย่างเดียวอย่างเด็กสมัยนี้ได้ยินได้เห็นได้กินหรือว่าได้สัมผัสอะไรที่พอสบายใจเกิดความสุขขึ้นมา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 ให้การคิดแบบนี้แหละที่มันช่วยทำให้เราเป็นอยู่ด้วยสติเป็นอยู่ได้ปัญญามากขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ความคิดแบบนี้ที่เรียกว่าโยนิโสมณสิกาหรือการคิดถูกคิดชอบคิดเป็นนี่มันเข้ามาทำงานพอะเราขุดล่องความคิดเอาไว้ให้มันไปในแนวเดียวมันก็เหมือนความคิดของเราเป็นกระแสเหมือนกับ น, กน้ะถ้ามันมีอยู่่องเดียวก็ไปทางนั้นแหละ แล้วเราก็เอาแต่ขยายล่องให้มันกว้างกว้างขึ้นกว้างขึ้นเหมือนกับที่ดดรถแบ็คโฮนี่เขามาขุดล่องขยายล่องให้มันกว้างขึ้นก็ทำให้มันคิดไปในทางนี้ทางเดียวเอาถึงเวลาแล้วที่เราต้องขุดล่องความคิดให้มันไปอีกทางหนึ่งคือไปในทางฝ่ายกุศลก็โดยการที่เรามีสติมีสติในขั้นาษะมีสติในขั้นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนา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 ก็ได้ประโยชน์จากความเจ็บความป่วยอย่างที่บอกนะว่าเราเจออะไรก็ตามไม่สําคัญทั้งเพาว่าเราเจออย่างไรเจออย่างไรก็หมายความว่าเรามีสติเรามีปัญญาพิจารณาหรือว่าหาประโยชน์จากอาการเหล่านั้นเช่นเวลาเงินหายเงินหายทีแรกก็ทุกแต่ว่าถ้าเรามีสติอา่ามันทุกไปได้ไม่นานทันทีนั้นก็จะเกิดอะไดคิดขึ้นมาว่าเออเงินหาย ร้อยบาทก็ดีกว่าหายพันบาทถ้าพอคิดแบบนี้เขา้ามันก็หายเสียดายก็หายหายทุกบางก็อนุโมทนาไปด้วยซ้ําหรือบางคนก็คิดแบบนี้ว่าเออเคยเอาเงินเข้าไปมั้งตอนเด็กเด็กฉันอาจจะเคยขโมยเงินเข้าไปมั้งหรือว่าชาติที่แล้วฉันเคยเอาเงินเข้าไปถึงตอนนี้ก็คืยเข้าไปก็รักกันคิดแบบนี้มันก็หายทุกอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการคิดแบบโยนิโสมนาจิการคือการคิด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 เวลาน้ำมันเปลี่ยนทางก็เพราะเหตุ น, นี้แหละน้ำเปลี่ยนทางก็เพราะว่ามันมีล่องใหม่ที่มันดีกว่าที่มันใหญ่กว่าที่มันลึกกว่าล่องน้ำก็เปลี่ยนทางความคิดของเราก็เหมือนกันมันควรจะต้องเปลี่ยนทางที่แล้วมามันไปทางเดียวเป็นในทางที่เรียกว่าต่อให้เกิดทุกข์ก็คือเกิดพัสดะแล้วก็ไปเวทนาเวทนาแตัณหาอุปทานเลยแล้วก็พบชาติ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 เดี๋ยวนี้คนจะถามตรงนี้บ่อยทําแล้วฉันจะได้อะไรคนอยู่ในร่องนี้เนะี่ยเหมือนกับชาวบ้านเดี๋ยวนี้เวลาจะจะขุดถนนเวลามีปัญหาเช่นจะซ่อมถนนจะสร้างสะพานก็จะถามขึ้นมาเลยว่าจะได้เงินมาจากไหนอาบาตาให้เงินมาหรือเปล่านะรัฐบาลให้เงินมาหรือเปล่าถ้าอาบาตาไม่ให้เงินมารัฐบาลไม่ให้เงินมาฉันได้สร้าง หรือบางทีมีมีคามีเคยมีคนมาเห็นศาลาของสุโกโตนี่แหละสมัยนะั้นก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างับแบบนนะี้ก็มีแต่ก็มีแต่ศาลายกพื้นนะไม่ได้ปูปูไม่ได้เทปูปนด้วยซ้ำคนจากที่ไหนมาถามมาเห็นก็เห็นว่าศาลามันใหญ่ก็เลยถามว่าได้เงินจากที่ไหนมา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 ฝึกให้ใจเรานะมีสติมีสติเพื่อว่าไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเจอภัสสะแบบไหนก็ตามก็จะไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนามันลากไปทางหนึ่งมันลากไปทางตัณหาอุปาทานแต่ถ้าให้มีสติมากํากับในภัสสะตั้งแต่แรกภัสสะทุกครั้งมีสติทุกครั้งสตินั่ยก็จะพาใจของเราไปอีกทางหนึ่ง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 พอกลายเป็นนิสัยแล้วคขานี้มันง่ายมันจะเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาเองเจออะไรมากระทบก็จะไม่คลํำครวญแล้วแต่ว่าก็จะไครครวญว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้าง ม, มันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขบ้างเรียกว่าได้ความรู้ตลอดเวลาเพราเราลองมาสร้างร่องความคิดของเราให้ไปอีกทางหนึ่งบ้าง โดยสายสติเป็นตัวชักนําแล้วก็ให้ปัญญาหรือว่าการรู้จับคิดนะเป็นตัวรับช่วงต่อไปอันนี้ก็จะนำให้ชีวิตเราเจริญถ่ายเดียวนะไม่มีเสือ่อม